เราขอบคุณพระเจ้าหรับสิ่งต่างนี้ตะ ก, กี้สักครู่นี้ก่อนที่จะมาเทศนาก็คอมพิวเตอร์ผมก็มีปัญหานะกล่าวว่าต้องไม่ใช่แล้วเอาพอดีมันแก้ไขทันนะแก้ไขตัวออกมาทันกล่าวว่าจะไม่ใช่แล้วนะครับเราขอบคุณพระเจ้าหรับโครงการคิดดีโครงการคิดดีถ้าจะพูดมาคล้ายๆโครงการของพวกค uh, อมเพรชันวอร์วิชชั่นอะไรต่างๆเนี่ย ที่ก็ทำแต่เขาทำโดยองค์กรแต่เนี่ยเขาทำเองแต่อนาคตคอมพิชชั่นคอมแพชชั่นหรือก็จะไม่อยู่กับเราเพราะเขาจะย้ายไปประเทศที่ยากจนกว่านะฮะหรือไม่ก็เปลี่ยนสภาพการทำงานเหมือนวูบิชชั่นวิชั่นมาก่อนทำงานกับเด็กกับนักเรียนแต่ตอนหลังนี้ก็ไปทำงานพัฒนาชุมชนนะฮะคอมแพชชั่นอนาคตก็คงจะคล้ายๆกันเรื่องเด็กตาก็คงจะไปที่ประเทศที่ยากจนกว่า นั่นคือสิ่งต่างที่เกิดขึ้นนะครับก็รับคนที่มีส่วนในการถวายพอกว่าปีหนึ่งวันสามสี่พันบาทต่อคนมั้งเด็กะนะฮะสามสี่พันบาทต่อคนแล้วก็ทําไปก็ไปเยี่ยมเยียนถึงบ้านแล้วก็ไปช่วยตัวอย่างเช่นเด็กเนี่ยได้รับเงินจากรัฐบาลอยู่แล้วแหละแต่ได้ไม่ครบเช่นได้กระโปรงแต่ไม่ได้เสือ้อนะฮะได้เสือ้อแต่ไม่ได้กางเกงขาดเขด็มขดัขดถุงเท้าอะไรแบบนี้แล้วก็จะไปเพิ่ ม, เ ต, มเติมในสิ่งเขาขาด นะเขาได้กระโปงไม่มีเสื้อซื้อเสื้อก็ใส่นะขาดุงเท้าก็เอาสุงเท้าก็ใส่นั่นคือสิ่งเออันนั้นคือสิ่งที่เราทำแล้วก็ลงไปถึงที่บ้านไปดูแลสิ่งต่างนะครับก็ฟังไปเรื่อยกันนะสินคัญวันนี้อย่าพูดถึงเรื่องของอบรณฑิตชนในความเชื่อของเราอีกท่านหนึ่งคือเปโตรนะครับบาริยินได้ฟังเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นนะครับ เปโตรมีสิ่งหนึ่งว่าฆ่าพร่งจะหย่อนอ้วนตามพระธรรมัตของพปร่งอันนี้คือหัวใจสำคัญนั้นเมื่อพูดถึงเปโตรปับเนี่ยเป็นปรณฑชนความเชื่อแบบไหนนะฮะเราสามารถพรูดได้ว่าเริ่มต้นอย่างไรสุดท้ายจะเป็นอย่างนั้นเริ่มต้นตกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดต่อไปก็ผิดผลลงเอยคือว่าการใส่เสื้อนั้นไม่สวยนะฮะไปไหนมือไหรคนก็มองประหลาดประหลาด เราเริ่มต้นกับชิดพระคิดผิดทีขงเราก็จะผิดพลาดไปหมดนั้นก็มาดูถึงจุดเริ่มต้นของเรากับพระคิดนะครับตัวอย่างเช่นยูดาสอิคาริโอตเนี่ยถ้าอ่านกันละเอียดเนี่ยยูดาสเข้ามาในเชิงหวังผลเพราะว่าในทาการสาวกของพระเยซูเนี่ยมียูดาสคนเดียวนะที่เป็นคนเมืองคนเมืองหลวง <c oughs> นะฮะและมีหัวการเมืองมีเรื่องผลประโยชน์ต่างๆเข้ามาสุดท้าย ยูดาสก็ฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่เป็นไปดังคิดนะครับคริเสเตียนบางคนหวังร่ำรวยหวังสุบบายหวังหายโรคสุดท้ายก็ทิ้งพระเจ้าพาะเขาเริ่มต้นผิดไงนะเขาเริ่มต้นผิดอันนี้คือคือสิ่งที่มองเห็นภาพนั้นบางครั้งคาเนี่ยคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะยังไงช่วงหลังๆก็อาจจะมีเรื่องของเ <c oughs> าเรียกแล้ความเชื่อในเรื่องความมั่งคั่ง เป็นคริสเตียนต้องมั่งคั่งไม่มั่งคั่งแสดงว่าคุณมีปัญหากับพระเจ้าเป็นคริสเตียนต้องไม่เจ็บป่วยถ้าเจ็บป่วยแสดงว่าคุณต้องมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติเขาเรียกเป็นคริสเตียนที่ผิดปกตินีแล้วก็เป็นเรื่องอาจจะมาคิดว่าถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันเพี้ยนไปหน่อยนะฮนะถ้าถ้าคริสเตียนทุกคนร่ำรวยเนี่ยน ะ, ะคนระดับแรกๆที่จะรวยคือบรรดาผู้รับใช้พระเจ้าควรจะรวย นะแต่ว่าส่วนใหญ่ก<ม>็เห็นพแทพระเจ้าส่วนใหญ่ก็ไม่รวยนะนะพออยู่ได้อะไรต่างได้พระเจ้าดูแลตาสภาพนะัน้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พระเจ้าบอกแน่นอนเราจะเป็นหัวไม่เป็นหางเราจะให้เขายืมแต่เราไม่ขอยืมใครอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงถ้าเราทําความเข้าใจตรงนี้แต่ต้องถูกต้องนะนะฮะนั่นคือสิ่งคัญนะครับถามว่าตัวอย่างชีวิตที่ถูกต้องของปเปโตรเนี่ยนะครับทำให้มีชิดถวายเกียรติแด่พระเยซู เป็นผู้ที่มีผู้ร่วมทีมยอมรับเมื่อเขาลุกขึ้นพยานคนยอมฟังเขาก็ตั้งคิดจักมากทําการสจาร์หลายอย่างและสุดท้ายตายกับประคิตายในประคิอันนี้คือเริ่มต้นถูกลงท้านก็ถูกเริ่มต้นในความเชื่อสุดท้ายก็ขวับเชื่ออันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะหนุนใจให้มองเห็นภาพ ร, รวมๆถามว่าเป็นตัวในเริ่มต้นข้าพเจ้าแบบไหนที่ถูกต้องที่เรียกว่าถูกต้องอันนี้ถือเป็นชนในความเชื่อนะ นะการเริ่มต้นที่ถูกต้องกับพระเยซูเริ่มตน้นแบบไหนอันดับแรกเริ่มตน้นในการเชื่อฟังเริ่มต้นด้วยความเชื่ออันดับสองเริ่มตน้นในการยอมรับว่าพระเยซูนพระเจ้าอ <clears throat> นดะั 3. เริ่มตน้นในการฝึกฝนที่มีประสบการณ์กับพระเยซูหลายคนก็เริ่มต้นถูกและเชื่อฟังยอมรับพระเยซูพระเจ้าและแต่ไม่ฝึกฝนในการที่มีประสบการณ์กับพระเยซนะูสร้างความคุ้นเคยกับพระเยซูนเนี่ย สีเริ่มต้นในการยอมรับน้ำพระทัยพระเจ้านะเบตโตรยังไงก็ตามแต่สุดท้ายก็เมื่อพระเจ้าให้เป็นอะไรก็ยอมเป็นนะถึงแม้ว่าไม่เข้าใจแต่ก็ยอมจะรับน้ำพระทัยพระเจ้านั้นทั้งสีด้านเนี่ยเป็นสิ่งที่เบตโตได้ทำเป็นจุดเริ่มต้นความเชื่อเริ่มต้นที่ความเชื่อสุดท้ายความเชื่อก็ต้องแบบนี้ เริ่มต้นในการเชื่อฟังเริ่มต้นในการบำเรับพระเยซูพระเจ้าเริ่มต้นในการฝึกฝนให้ตัวเองมีประสบการณ์กับพระเยซูเริ่มต้นในการยอมรับนามพระทัยของพระเจ้าเรร่วมใจทานด้วยกันพระบิดาพระเจ้าส่งเสริมขอบคุณในความรักความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อคนหลายขอพระเจ้าทรงนำอวยพรในคนหลายทุกคนความคิดทุกตอนนั้นรับการดลใจซึ่งมาจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคยดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนพงษ์จะพร้อมในการทําการในทุกอย่าง ไวโพในขํ้ขลายทุกคนในการเข้าใจในพระเจพระองค์โดยการสําแดง พ, ญญดงพระวิญญาณโดยสุดขอองค์พระวิญญาณได้ตรัสรายตามชอบพระทัยพระเจ้าทุกประการดิฉันสรรเสริญขอบคุณในความรักของพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเรามาดูกันเริ่มต้นของเปโตรเริ่มต้นใยการเชื่อฟังเกิดจาก เ, เหตุการณ์จากพระมปีตอนหนึ่งลูกาบที่5้าข้อหข้อหบอกว่าทั้งเมื่อประชาชนกําลังเบียดเสียดพรุ่ง เพื่อฟังพจนะของพระเจ้าพระองค์ทรงยืนอยู่ที่ฝั่งทะเลสาบอินสเรลตและพระองค์ทรงเห็นเรือสองลำจอดอยู่ริมฝั่งทะเลสาบนั้นแต่ชาวมงขึ้นจากเรือแล้วกําลังซักอวนอยู่พระองค์จึงเสด็จลงเรือลําหนึ่งเป็นเรือของซีโมนทรงขอให้เขาถอยไปจากฝั่งหน่อยหนึ่งแล้วพระองค์ทรงนั่งสั่งสอนประชาชนจากเรือนั้นเมื่อพระองค์ตรัสสอนเสร็จแล้วจึงตรัสแก่ซีโมนว่า จงถอยออกไปที่น้ำลึกย่อนอวนลงจับปลาซีมวนทุนตอบว่าเพราะอาจารย์เจ้าข้าข้าพรงทั้งหลายทอดอวนคืนยังรุ่งไม่ได้อะไรเลยแต่ข้าพรงจะย่อนอวนลงตามพระํารัสของพระงเมื่อเขาย่อนลงแล้วก็ล้อมปลาไว้เปน็นมากจนอวนเขากำลังปริอันนี้คือสิ่งเริ่มต้นรับชีวของเปโตรกับพระเยซู ถ้าพูด ง, ง่ายๆเปตตรพระเยซูในชนนั้นก็จะถามว่าคุ้นเคยไหมก็ยังไม่เคยคุ้นเคยกันแต่สิ่งที่พระเยซูบอกกับเปโตรให้ทำถอยเรือไปหน่อยหนึ่งที่น้ำลึกย่อนอวนลงแล้วเจ้าจะได้ปลาเปโตรในฐาน ะ, ะผู้ชำนาญในการจับปลาชาวประมงมือเยี่ยมจับปลาพื้นฐานอันแรกจับบางคืนไม่จับกลางวันแน่นอนนะฮะแต่นี้พระเยซูจับกันสายจับแล้ว ถอยไปหน่อยเดียวด้วยไม่ไปน้ําลึกมากเปตตัวบอกผิดหลักแต่เปตตัวไม่พูดนะเปตตัวพูดอย่างเดียวว่าข้าพรงจะย่อนอวนลงตามเพิ่มรัฐของพงแต่ก่อนนั้นนั้นพูดหน่อยหนึ่งพระอาจารย์เจ้าขา้าข้าพรงทั้งหลายโทษอวนคืนยังรุ่งอันนี้คือหลักกติกาของชาวประมงไม่ได้ว่าอะไรแต่พูดให้ฟัง ผู <laughs> ้ให้ฟังพระองค์มาทั้งคืนจับไม่ได้เลยแล้วพระองค์จะให้ถอยเลือไปหน่อยหนึ่งจะเป็นตั ว, วเรื่ออะไรนะแต่ข้าพระองค์ทำไมจะย้อนอ้วนลงตามพระดํารัสของพระองค์อันนี้คือท่าทีคือเซียนท่าทีแรกเลยท่าทีการเชื่อฟังพระเจ้าแม้ว่านะฮะมันจะเป็นยังไงก็ตามแต่และเป็นการเชื่อฟังแบบไม่มีเงื่อนไขกับพระเยซูไม่บอกตัวเองเนี่ยฉลาด นะถึงแม้คิดว่าเองถูกนั้นคำว่าเชื่อฟังพระเยซูองคมาไม่มีเงื่อนไขเชื่อไว้ไม่มีเงื่อนไ ข, ไนไขหลายครั้งหลายคาเราเชื่อพระเยซูแบบมีเงื่อนไขต้องอย่างนงั้นเลยเชื่อต้องอย่างนงี้เลยเชื่อถ้าพระองค์ไม่ทํางั้นข้าพระองค์ไม่เชื่อแล้วจะมีเงื่อนไขตลอดนะนะแต่เปตโตรนี่ไม่มีเงื่อนไขถ้าเป็นคําสั่งมาจากพระเยซูข้าพระองค์จะหย่อนอวนลงตามพระํารมัตของพระองค์ และเปโตรก็หย่อนอวนลงความเชื่อฟังเข้าไปเขาได้ปลาจนมากจนทั้งอวนแทบจะปริขณนะเดียวกันคมหมายเชื่อฟังพระองค์กลางว่าพร้อมทําตามแม้ไม่เข้าใจหนึ่งไม่มีเงื่อนไขถึงแม้ว่าขัติกาการจับปลาต้องไปอย่างนั้นไปอย่างนี้นะฮะอะไรต่างพวกนี้อ้วนพึ่งกําลังจะซักนะอะไรต่างพวกนี้นะก็ไม่มีเงื่อนไขและขณะกันพร้อมทําตามแม้ไม่เข้าใจ การเชื่อพระเยซูต้องมีท่าทีนิ่มกันนะบางเรื่องไม่น่าไม่สมเหตุสมผลครับเมื่ไม่สมเหตุสมผลคือเรื่องของเราแต่สำหรับพระเจ้านะั้นสมเหตุสมผลนะพระองค์รู้ว่าพระองค์คือใครไงแต่เราเนี่ยจะเอาเหตุผลเราเป็นตัวมาที่จะบอกว่าไม่เชื่อไม่ได้นั้นถ้าพระเจ้าให้เราทำนะก็จงทําแม้ว่าไม่เข้าใจสิ่งตรงนี้ต้องเรียนรู้พอสควร คนที่เชื่อพระเยซูใหม่ๆไปถามได้เลยใครก็ได้เข้าใจพระเจ้าดีพอไหมให้เชื่อพระเยซูอ่ะไม่สักคนหนึ่งมาเริ่มเข้าใจพระเจ้าตั้งไหนเริ่มเรียนศึกษาพระคัมภีร์จึงเริ่มเข้าใจพระเจ้ามีใครบ้างที่เข้าใจพระเจ้าแบบทองแท้แล้วเขเชื่อตัดสใจเชื่อพระเยซูไม่เลยสักคนหนึ่งผมมาเชื่อพระเยซูอยัางแบบมึนๆอยู่เลยทําไมยังเชื่อเอาเพียงว่าเชื่อว่าพระงเป็นพระเจ้าเอา ตามมากโอเคก็ตรงนั้นอ่ะนะฮะมีประสบการณ์นิดหน่อยนะฮะก็เราก็ตัดสินใจเชื่อพระเยซูฉะนั้นการทําตามพระเยซูไม่เข้าใจแต่ถ้าเรารู้ว่าเป็นพระบรมัชทซึ่งมาจากพระเยซูเป็นเสียงซึ่งมาจากพระเยซูเป็นการสำแดงซึ่งมาจากพระเยซูทําเถอะถึงแม้ไม่เข้าใจเพราะว่าเป็นมาจากเป็นมาจากพระเยซูสิ่งที่บอกว่าไม่มีเหตุผลเพราะมาจึงอันที่สอง เริ่มต้นในการยอมรับว่าพระเยซูพระเจ้าทําไมเราไม่ต้องไม่ต้องอาศัยเหตุผลเพราะมีเหตุผลแล้วพระเยซูเป็นพระเจ้ามันจบแล้วไงคําว่าพระเยซูพระเจ้าจบเรียบร้อยเลยทําไมต้องมาหาสิ่งอื่นอีกถ้าเราเชื่อพระเยซูพระเจ้าฝ่ายซีมูนเปโตรเมื่อเห็นดังนั้นก็กราบลงที่พระชานุของพระเยซูทุนว่าพระองค์เจ้าข้าขอเสร็จไปห่างจากข้าพระองค์เถิดเพราะว่าข้าพระองเป็นคนบาปคําว่าข้าพระองเป็นคนบาปใช้กับใคร ใช้กับผู้ที่เป็นพระเจ้านะแล้วไม่ใช่ใช้กับคนไม่ใช่สิ่งอื่นใช้กับคนที่เป็นพระเจ้าเพราะคนยิวก็าชัดนั้นเปตโตรชัดเจนว่าพระเยซูที่เขาทำตามเนี่ยพงเป็นพระเจ้าและเขาสานึกว่าตัวเองคนบาปคนบาปไม่สมควรจะอยู่ใกล้พระเจ้านันบอกขอพรงให้เด็จไปห่างข้าพงเถิดความรู้สึกของเปตโตรนะั้นยอมรับว่าพระเยซูพระเจ้า ในพระธรรมมัทธิวสิบข้อสิบอกว่าพระองค์ตรัสถามว่าแล้วพวกท่านเล่าว่าเราเป็นใครซีมวนเปโตรทูลตอบว่าพระองค์ทรงพระคิดพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นพระเยซูถามว่าคนอื่นว่าเราเป็นใครเขาตอบว่าเป็นอเลยาเป็นเยเรมีเป็นผู้เผยนาโบราณเป็นยอนแบบสโตและพระเยซูไม่ว่าอะไรแต่พระองค์ถามว่าพวกท่านว่าเราเป็นใครเปโตรคุณตอบคือว่าพระองค์คือพระคิดพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ ไปตรวจอาเหตุผลอะไรมาเชื่อไม่มีแต่รับรู้ได้จากการสแสดงพระเจ้าเพราะสุดท้ายพระเยซูไงซีโมนบุตรโยนาเอย๋ยท่านก็เป็นสุขเพราะว่ามนุษย์ไปได้แจ้งความนี้แก่ท่านแต่พระวิดาของเราผู้ทรงสิทธิ์ในสวรรค์ทรงแจ้งให้ทราบการเชื่อพระเยซูของพระเจ้ามันต้องอาศัยเหตุผลแต่อาศัยความมั่นใจส่วนตนเพราะพระเจ้าสแสดงกับเรา ด้วยเหตุผลนี้เมื่อพระเจ้าตรัสกับเราไม่ต้องหาเหตุหาผลถ้าพระเจ้าปล่อยทำก็ทำเถอะถึงแม้ว่ามันดูเหมือนไม่สมเหตุสมผลแต่ทำไมต้องทำเพราะเราเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่เชื่อพระเยซูพระเจ้าค่อยหาเหตุหาผลกันคำว่าพระเจ้ามันสรุปความเรียบร้อยนะว่าสมบูรณ์แบบเกินกว่าที่เราจะเข้าใจพระเจ้าแปลความว่าเกินกว่าที่เราจะเข้าใจ นั้นหลายคนไม่กล้าพูดเรื่องพระเจ้าคนอื่นฟังทราบไหมเพราะอะไรกลัวอธิบายพระเจ้าไม่สมบูรณ์แบบนะอย่าไปกลัวฮนะเพราะเป็นเรื่องปกติถ้าใครคนใดคนหนึ่งสามารถอธิบายพระเจ้าได้หมดจดพระเจ้าองค์นี้ไม่น่าเชื่อครับเราต้องหาเป็นคนน่าเชื่อเพราะเราสามารถอธิบายพระเจ้าได้หมดจดนะนะ แต่พ่อพี่ว่าพระเจ้าใหญ่เกินกว่าที่เราเข้าใจแล้วก็พูดเท่าที่เรามีเคยความเข้าใจพูดเท่าที่เราสามารถอะไรรับรู้ได้พูดตามประสบการณ์จริงที่เรามีแค่นี้พอแล้วมากกว่านี้เขาไม่เชื่อก็แล้วไปเรื่องเขาแต่เราเชื่อไงการพูดเรื่องพระเจ้าคนฟังไม่ได้คาดหวังให้คนเชื่อแต่ว่าเป้าหมายสุดไม่ใช่แต่อยากจะให้รู้ว่าพระเจ้ามีจริงส่วนคุณจะเชือ่อไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่ง แต่เราก็อยากให้เชื่อถ้าว่าจริงเราอยากให้เชื่อแต่ถึงแม้เขาไม่เชื่อเราจะพูดให้ฟังพูดเท่าที่เราสามารถจะพูดได้เท่าที่เรารู้จักเท่าที่เรามีประสบการณ์ด้วยเหตุผลนี้เมื่อบอกว่าเชื่อฟังพระเยซูแบบไม่มีเหตุผลเพราะเหตุผลเดียวพระองค์เป็นพระเจ้าคําถามบันถามว่าเราเชื่อพระเยซูพระเจ้าไหมในชีวของเราอันนี้เรื่องใหญ่นะถ้าเรื่องนี้ไม่ผ่านเนี่ยความเชื่องเราลําบากละไปเจออะไรนิดหน่อยเรามีความรู้สึกว่าเออ องค์นี้ใช่ไ้มเนี่ยองค์นี้ใช่ั้ยเนี่ยนะสงสัยจะไม่ใช่นะอะไรต่างพวกนี้แต่ถ้าเรารู้ว่าพระเยซูมันจพระเยซูปค็คริเป็นพระเจ้าเราจะรู้ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นเป็นผลดีต่อผู้ที่รักพระองค์เพราะเรารู้ว่าคนที่อยู่กับเราคือใครคือพระเจ้ามันเบ็ดเสร็จตรงนี้ไงหลายคนเอาโหองอะไรนักหนาก็เราเชื่อเป็นพระเจ้าไงพระเจ้าอธิบายไม่ได้อยู่แล้ว ฉะนั้นขอหนุนใจว่าอย่าคิดอธิบายพระเจ้าคนฟังแบบบทจดเพราะท่านทําไม่ได้นัก ศ, ศาสรน า, าังไม่กล้าพูดเลยอธิบายพระเจ้าบทจดไปไม่ไดนะ้เป็นไปไม่ได้นัก ศ, ศาสน า, าสในโลกนี้มีหลายร้อยคนยังพูดเรื่องพระเจ้าไม่เหมือนกันเลยพูดไม่เหมือนก็นหลอกไปอ่านนะมีต้องเป็นร้อยเป็นพันคนเนี่ยคุยเรื่องพระเจ้าไม่เหมือนกันคนละมุมคนละมุมแต่ถามพูดผิดไหมไม่ผิดหรอกแต่ว่าพูดได้หมดไหมไม่หมดหรอก นั้นนี่คือสิ่งที่บอกคุณว่าเปโตเริ่มต้นในการเชื่อฟังปรุงแบบไม่มีเงื่อนไขและแบบแไม่ต้องอาศัยความเข้าใจเหตุผลเพราะว่าพระองค์เขาเริ่มต้นยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้านั้นถ้าเราเริ่มต้นยอมรับพระเยซูเป็นพระเจ้าเราจะเริ่มต้นถูกต้องมากไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราจะติดตามพระเจ้าองค์นี้ตลอดไปเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านะฮะเราไม่ติดตามคนที่ทั่วๆไป เป็นโตเริ่มต้นในการฝึกจะมีประสบการณ์กับพระเยซูอันนี้เราสาคัญหลายครั้งและยคาเราเชื่อพระเยซูพระเจ้าแต่เราไม่ค่อยฝึกฝนในการจะมีประสบการณ์กับพระเยซูเนเราไม่ค่อยทําความคุ้นเคยกับพระเยซูและซึ่งสิงที่ทําคุ้นเคยได้มีเรื่องใดคือไอิทธานเชื่อฟังและทําตามเนะี่ยทำให้เรามีประสบการณ์ขั้นสามยามเสร็จพระองค์จึงชมเดินดำเนินบนน้าทะเลไปยังเหล่าสาวก เมื่อเราสาวกเข็นพงษ์ทรงนำเนินบนทะเลก็ตกใจนักร้องอึงไปเพราะกลัวคิดว่าเป็นผีในทณะ น, นั้นพระเยซูตรัสว่าทำใจให้ดีไว้เถิดเราเองอย่า ก, กลัวเลยไปายไปตรงทูลตอบพง์ว่าพรง์เจา้าค่ะถ้าเป็นพรง์แน่แล้วขอทรงโปรดครับพงษ์เดินบนน้าไปหาพรงพ์พง์ตรัสว่ามาเถิดไปเตินลงจากเรือเดินบนน้าไปหาพระเยซู แต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัวและเมื่อลังจะจมก็ร้องว่าพระองค์เจ้าขอช่วยข้าพงเถิดเปโตรนั้นก็โอเคก็รู้จักพระเยซูดักหนึ่งก็เห็นพระเยซูทําสิ่งนู้นทําสิ่งนี้นะเห็นพระเยซูไปฐานเผื่อแม่ยายแม่ยายหายเห็นพระเยซูเลี้ยงคน 5,000 ันคนเห็นหมดอนะแต่สิ่งหนึ่งที่เปโตรมีคือประสบการณ์ตรงระหว่างพระเยซูกับเปโตรวันนี้เปโตรได้โอกาส พระเยซูเมื่อส่งประชาชนและสาวกมาก่อนระหว่างที่สาวกกำลังกันเชียงเรืออยู่กลางทะเลสาบไกลีพรองค์อยู่บนลูกเขาท่อปเป็นได้เห็นว่าเจอขึ้นหนักพรองค์ก็เดินมาหาสาวกทั่วไปคิดว่าคนอื่นคิดว่าผีแต่พระเยซูไม่อยา ก, กลัวเลยเปโตรได้ยินเสียงจำได้แต่เพื่อความมั่นใจพรองค์จะขะถ้าเป็นพรองค์แน่แล้วขอสมบูรณ์บอยถ้าพรองค์เดินบนน้าไปหาพรงองค์เถิดอันนี้เป็นการขอการขอมีประสบการณ์กับพระเจ้า คิดเส้ น, น่าจะควรทํานะีอะไรที่เราเคิดว่าทําไม่ได้เนี่ยขอพระเจ้าไหมให้ข้าพงศ์สามารถทําได้อะไรที่ว่าเกินกําลังเกินความสามารถของคนแล้วเรามีความรนะู้สึกอยากจะทำนะทำสิเนี่ยมาเช้าคุยกับชั้นเรียนท่านอยากเห็นัฐมนตรีแบบไหนอ่ะนายกรรมาแบบไหนอ่ะท่านอยากเห็นนักการเมืองแบบไหนอ่ะเริ่มต้นในฐานของแต่วันนี้ อย่าไปฐานตอนเดือนกุมภาเริ่มไอ้ฐานขอแต่เดี๋ยวนี้อยากได้นักการเมืองที่สัตย์ซื่ออยากได้นักการเมืองที่เป็นคนที่รักชาติรักบ้านเมืองรักประชาชนอยากได้นักการเมืองที่ไม่เห็นแกพ่พรรคพวกแต่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไอ้ฐานขอเลยอย่าไปมีความรู้สึกว่าโอ้ประเทศไทยหาคนดีไม่ได้เลยมั้งมีคนดีมีเยอะ แต่เพียงเขาอยู่ในระหว่างสัญใจว่าไม่อยากเข้ามายุ่งทําให้ตัวเปื้อนเปรอะแต่ถ้าเราไอ้ฐานมากเข้ามาเข้าพระเจ้าทํางานตัวเขาข้าสนใจลงมาเล่นก็ได้เพื่อเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองและคําหนึ่งนี้ผมอยากได้เปลี่ยนแปลงมา่ก่อนที่ชอบพูดนะักเอาละบ้านเราเนี่ยเมื่อเลือกสอสอเลือกคนไปทํางานการเมืองเนี่ยให้เลือกคนที่เลวน้อยที่สุดยังไงก็เลวไงเปลี่ยนมาได้ไหม เลือกคนที่ดีสุดแสดงว่าเรายังเห็นความดีอยเขาอยู่แต่เรื่องคนที่เลวน้อยที่สุดแสดงว่ามองไม่เห็นความดีเลยแต่เพเออิ่มบรนเลวน้อยที่สุดเรียกว่าเราเรียกเลือกคนไม่ดีเข้าไปบริหารบ้านเมืองเนะ่ยเราต้องไปถามข้าราชาขอให้ได้คนดีสุดเราจะ้อเลือกคนที่ดีที่สุดแต่มาถึงยุคที่กเกิดความท้อใจในเรื่องของนักการเมืองไนงะ เอาเลือกคนที่เลวน้อยก็แล้วกันเป็นคําศัพท์ที่เล่นๆแต่ว่ามันเป็นจริงนะเพราะแสดงว่าเราไม่เห็นความดีของคนเลยไงก็เท่ากับเราเลือกคนเลวไปในการปกครองบ้านเมืองไงแต่ถ้าเป็นความคิดมาให้เลือกคนที่ดีสุดเราพยายามหาหาหาหาหาจนกระทั่งเจอเออคนที่ดีเราก็เลือกเข้าไปเพราะอย่างน้อยก็มีความดีไงแต่อีกฝั่งหนึ่งหาความดีไม่เจอเลยจะเพลินเลวน้อยสเฉยๆแม้แต่ความคิดต้องเปลี่ยนเลย นันกหนุนใจใมองเห็นภาพนี้ว่านะั่นคือความความเป็นคริสเตียนนะเราเชื่อพระเยซูร้องร้องกับพระเยซูพระองค์จะครั้งนี้ขอคนที่พระเจ้าเลือกสรรได้ไหมนะเดือนปลปนี้ตุลาสภาขึจะมาเลือกผู้บริหารใหม่และผมรู้หัวใจสําคัญของคนที่เข้าขการประชุมธรรมชาสภาขึ้นคื อ, อ, อสมาชิกสามัญผมกใกล้ถ่านงี้พระองค์จะ ไม่ว่าสมาชิกสามมันจะมาด้วยวิธีใดก็ตามแต่แต่เมื่อเขาไปนั่งในสมัชชาสภาขึ้นจักให้เขาสํานึกตนเสมอว่าเขาคือตัวแทนของพระเจ้าเขาไม่ให้ตัวแทนของมนุษย์และเมื่อเขาตัดสินใจในการลงคะแนนเขาจะลงคะแนนบ้นฐานของเขาเป็นตัวแทนของพระเจ้าไม่เห็นเป็นตัวแทนของมนุษย์ก็มุ่ใกล้ฐานแบบนี้ไงผมไม่สนใจว่าเขาจะมาด้วยวิธีไหนแต่ผมสนใจว่าเขาต้องยืนจัดว่า การประชุมสมัชชาสภาจากคนที่เข้าประชุมประชุมในฐานะตัวแทนของพระเจ้าไม่ใช่ตัวแทนของคนเออไอฐานเลยผมคุยส่วนตัวไม่ได้อยู่แล้วไงเนื้อหาแบบนั้นแล้วก็ไอฐานได้ไงคุยส่วนตัวไม่ได้แต่อัฐานได้ไงคุยกับพระเจ้าได้ไงนั้นสมาชิกสามัญที่เข้าประชุมสมัชชาสภาจากต้องมีความสำนึกว่าตัวของตัวเองเป็นตัวแทนของพระเจ้าเป็นคนของพระเจ้าคุณต้องเลือกคนของพระเจ้าไม่ใช่เป็นตัวแทนมุษล้วเลือกมนุษย์ ผมไม่ได้ว่ามนุษย์ถูกรึผิดแต่ผต้องการน้ำประไทยพระเจ้านั่นต้องการน้ําประทยพระเจ้านั้นคือแล้ก็ไอ้ฐานตามที่เราอยากไอ้ฐานเราคุยขเขาไม่ได้แล้ก็ไอ้ฐานได้ไม่ใฉ่หร อ, อยากได้นักการเมืองแบไหนก็ไอ้ฐานอยากได้นายกแบไหนก็ไอ้ฐานสิเห็นเรามาบน่บนๆไม่ได้แล้วเป็นหน้าที่เราฐานเป็นน้าประทายพระเจ้าถ้าเราไอ้ฐานใด้คนดีเราก็มีความสุขแต่ถ้าเราไม่ไฐานได้คนเลวเราก็แย่อจริงไหมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นหนุนใจเปโตลองฮะ นะหลายครัง้งหลายคราเรามีความรู้สึกว่าเราเราเร า, เราอะไรเราไม่มันไม่ได้ไม่ได้ไไดแต่พระเจ้าเรายิ่งใหญ่ใช่ไหมฮะเมื่อพระเจ้าเรายิ่งใหญ่ลองโปรงดูนะลองดูว่าเป็นไปได้ไหมนะฮะสุดท้ายไปตโต้ก็มีประสบการณ์ใช่ไหมถึงแม้ว่าไปไม่ได้ไกลแต่เข า, ามีประสบการณ์พระเจ้าเขาเชื่อทำไมยิ่งใหญ่ถึงแม้สักพักเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วก็จมน้ํา แต่ยังปากไปพระองเจ้าข้าช่วยด้วยพระเยซูขึปป้นมาอย่างน้อยเขามีประสบการณ์ว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าสามารถทําได้เขาขอเดิมวนน้ำพระเจ้าก็บอกมาเถอะแล้วเขาก็เดินวนน้ำไปหาพระองค์ถึงแม้เดินสองสมก้ก็ยังประสบการณ์ที่ดีก็จะสร้างความมั่นใจไปเรื่อยความคุ้นเคยเนั้นคริเสเตียนต้องเรียนจากการสร้างมาความมั่นใจกับเจ้าโดยการฝึกที่จะมีประสบการณ์กับพระเจ้าโดยการไอ้ฐานในสิ่งที่เราอยากได้แต่มันเป็นไปไม่ได้ ผมก็ไอฐานไงตึกไงสร้างตึกแบบมีเงินไม่พอเข้าใจไหมแต่ผมก็เชื่อว่าพระเจ้าจะให้มีเงินพอเข้าใจไก็ทำไงบางคนต้องรอเงินให้ครบก่อนสร้างไงแต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าให้สร้างก็ทํำไงคณะธรรมกิจก็ทำไงนะฮะพวกเราก็ร่วมใจกันทำไงและที่เราถวายกันมาทุกวันนี้ก็เราเชื่อว่าจะเกิดขึ้นใช่ไห ม, มก็ไม่ได้เขียนราย ง, งานทราบนะ มีเงินถวายจากสมาชิกแล้วก็โรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเทนดาโรงเรียนพดุงราชและก็สมาชิกเนี่ยประมาณ3าม0 0 0เบาทที่ผ่านมาไม่ธรรมดานะเออไม่ธรรมดานะสามแสนันบาทประมาณเนี้ยมากกว่านิดหน่อยเศษตังค์นิดหน่อยทําไม่ธรรมดาที่นั่นท่านมีความเชื่อไงที่ท่านให้ถวายมาท่านแล้ท่านมีความเชื่อว่าตึกนี้จะสร้างสําเร็จ ผมนึกว่าจะดูมีดูหมิ่นเงินบาทหนึ่งของเราเงินบาทหนึ่งของเรามันสามารถสร้างตึกอันนี้ได้นะแต่ในท้ายสมบูรณ์เสร็จมีมีแอร์มีอะไรต่างๆให้นะประมาณ3มล้านบาทนะฮะที่ท่านถวายมาท่านภูมิใจเถอะเมื่อท่านเห็นว่าตึกนี้มันเสร็จเพราะเงินเราแค่สองบาทโอ้ขอบคุณพระเจ้านะถ้าไม่มีสองบาทของเราไม่เสร็จนะบอกให้แต่สองบาทอะไรสองบาทแห่งความเชื่อ ไม่ใช่ราคาไม่เป็นสองบาทเป็นความเชื่อนั้นผมก็เชื่ออันนี้คือสิ่งร่ายฐานพเพรการพระเจ้าเงินจากไหนไม่รู้อะแต่พระเจ้าทําได้เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าเพราะคนที่พวงให้ข้าพวงทั้งหลายทําก็คือพระองค์ไม่ใช่เหรอและพระองค์เป็นใครพระองค์เป็นพระเจ้าพระพรองค์เป็นเจ้าให้ทำมันก็ต้องมีไงแต่จะมีแบบไหนไม่รู้หรอกจะไปหาเลยทําสุดกําลังความสามารถก็แล้วกันนั่นคือสิ่งถึงแม้งไงตามแต่เรามีประสบการณ์อย่างน้อยมีประสบการณ์ล้ นะในกี่เดือนที่ผ่านมามีต้อง3า0 0ส0เจ็ดมืกบาทนะหน้าตาร่ำรวยยางไรมันี่นะเราเราก็ฐานะแค่นี้แหละแต่พระเจ้าให้มาขนาดนี้ถือไม่ธรรมดาถือไม่ธรรมดานั่นก็สิ่งที่หนุนใจมองเห็นภาพนะครับเปาโลมีท่าทีอยงเดียวกันข้าพเจ้าต้องการรู้จักพรงแ์ได้รับประสบการณ์ทีเด็กเนื่องใน การโปรง่งทรงคืนประชชนนั้นร่วมทุกข์กับโปรง่งคือยอมตั้งรมตายเหนือเหมือนพปรง่งถ้าเป็นไปได้ข้าพเจ้าจะได้เป็นขึ้นจากความตายด้วยเปาโล ก, ก็อยากจะมีไงนั้นถ้าท่านอยากมีประสบการณ์จากพระเจ้าไม่ใช่อยู่ให้พระเจ้าสดงมาอยากจะมีประสบการณ์แบบไหนพระเจ้าขอกับพระเจ้าเลยขอเลยผมได้ยินธรมยานหลายคนอยากจะวางมือรักษาโรคคนให้หายไม่ค่อยมั่นใจพรงค์จะคะถ้าพรงค์จะใช้ครับอง ขอให้ข้ระองวางมือแล้วก็หายเออบางคนก็ได้รับประสบการณ์นี้เมื่อไปวางมือเขาไม่มัน่นใจแต่พอไอ้ฐานแล้วได้ข่าวว่าเขาหายก็ดีใจแล้วทําให้ความมั่นใจในการไฐานวางมือเผื่อคนไปเรื่อยๆ เ, เ, เ, เพราะมีความมั่นใจว่าเมื่อเขาไอ้ฐานพระเจ้ารักษาเขาไม่มีสิทธิการรักษาหรอกแต่เขารู้ที่คนรักษาคือพระเจ้านั้นอย่ากหมุน ใ, นใจมองเห็นภาพเมื่อเปาโลว่าอยากมีประสบการณ์ริเดตนะอยากจะมีการประสบการณ์ร่วมทุกข์กับพระเยซู ตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเหมือนพระเยซูเปโตรอยากจะมีประสบการณ์ทุกอย่างพระเยซูเป็นแต่เราไม่ต้องเหมือนพระเยซูก็ได้เอาเท่าที่เราอยากจะเห็นและไอ้ฐานดูอะไรที่คิดว่าไม่ได้แต่เราอยากทำเพราะสิ่งที่ดีไอ้ฐานขอเถอะเดี๋ยวพระเจ้าจะให้ท่านแต่ตอนนี้จะโอ้พระเจ้าจรงิงนๆะพระเจ้าจริงๆนะฮะพระเจ้าทำได้ถ้าเจตนารมท่านดีนะเจตนารมท่านดีนะครับ เริ่มต้นในการยอมรับน้ําพระทยพระเจ้านะฮะเมื่อรับประทานอาหารแล้วนะครับพระเยซูตรัสกับซิมูลว่าสวนบุตรจนาจุดจรเอ๋อเจ้ารักเรามากกว่า น, นี้หรือนะฮะอันนี้น่าจะเป็นข้อสี่นะเขาเขียนผิดเป็นข้อสามเขาก็คือผมแหละนะข้อสเริ่มต้นในการยอมรับน้ําพระทัยพระเจ้าเหตุการณ์ตอนนี้เป็นเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูพบกับเลาวสวกตอนที่ จับปลารอบที่สองได้ปลาร้อยกว่าตัวร้อหสามตัวแล้วพระเยซูก็นั่งกินข้าวกับสาวกจนโสจําจพระเยซูได้พระเยซูถามไปตัวว่าเจ้ารักเราหรือถามอีกครั้งถามสามครั้งสมครั้งสามคราจนเปตาตอบไปตรสุก ข, ขูอะไรนักหนาะดูเหมือนเราทําผิดไปเสพพระเยซู3ามครั้งพระเยซูเอาคืนมั้งเออแต่กินพระเยซูไม่เอาคืนนะ พระเยซูต้องการจะสร้างความมั่นใจไปตโตรแล้วกำลังบอกว่าน้ำพระทัยของพระองค์ต่อไปตโตรวคืออะไรเพราะสิ่งที่เมื่อพระองค์ถามเจ้ารั ก, กหรือเมื่อเขาตอบรักจงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิดพระองค์ถามข้อที่สองเจ้ารั ก, กหรือเมื่อเขตอบว่ารักพระเยซูจงดูแลแกะของเราเถิดเมื่ อ, อ, อฐานข้อที่สามเจ้ารั ก, กหรือเมื่อไปตัว่าพระองค์ก็ทราบว่ า, าพค้าพรองรักพระองค์นะพระเยซูก็จะมาจงเลี้ยงแกะของเราเถิดเป็นน้ําพระทยัยพระเจ้า ถามว่า น, นี้สายไปโตนีเหมาะในการเลียนคนไหมณนะเวลานั้นยากอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวนะขึ้นเร็วลงเร็ ว, รวแต่ไปโตเมื่อถูกพระเจ้าใช้เขายอมรับการยอมทําตามน้ําพระทัยพระเจ้าไม่ได้แปลความว่าเรามีความสามารถจึงกล้าสนใจในการรับทําตามที่พระเจ้าบอกแต่การยอมทําตามน้ำรพระทัยเจ้าแปลเขาว่าถึงแม้เราไม่มีความสามารถแต่ถ้าพระเจ้าทรงกล้าใช้เรา เราก็ยินดีจะทาตามเพราะพระเจ้าทรงทราบว่าเราสามารถทําได้เรารู้ตัวเราเองว่าเราทำไม่ได้แต่เรารู้ว่าผู้ใช้เราสามารถช่วยเราทาได้เราจึงตัดใจยอมรับเปโตรโยอมรับน้าพระแท้พระเจ้านี้โดยเหตุผลนี้ในหนึ่งเปโตรบทที่ห้าที่บอกว่า จงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าอยู่ในความดูแลงท่านเอาใจใส่ดูแลไม่ใช่ด้วยความฝืนใจด้วยความเต็มใจตามนามพระทัยพระเจ้าไม่ใช่ด้วยการเห็นแก่ทรัพย์สินของที่ได้มาโดยทุ่วริดแต่ด้วยความ เ, าเรื่อมใสและไม่ใช่เหมือนเป็นเจ้านายที่ข่มขีผู้อยู่ใต้อํานาจแต่เป็นแบบอย่างกับฝูงแกะนั้นและเมื่อพระผู้เลี้ยงยผู้ยิ่งใหญ่จะเสร็จมาปรากฏทั้งหลายจะได้รับศักดิ์ศรีเป็นมุขที่ร่วงโรยไม่ได้เลยเปโตัผ่านกระบวนการเป็นผู้เลี้ยงมา จึงสามารถแนะนำตอนนั้นการใกล้จะตายแล้วอายุมากแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วจงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าในการดูแลของท่านอย่างเอาใจใส่ไม่ใช่ฝืนใจแต่เต็มใจเพราะเป็นน้ําประแทปพระเจ้าไม่ให้เข็นแกะรัพย์สินของนะฮะที่ได้มาจุดแต่เลื่อมใสศรัทธาไม่ใช่เป็นเจ้านายขคมขีนะฮะแต่เป็นแบบอย่างฝูงแกะนี่คือบทบาทของผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงไม่ใช่เจ้านาย พ่อแม่มีสิทธิทอํานาจเห น, เหนือลูกใช่ไหมโดยหลักนืแต่จริงๆแล้วใครเป็นนายพ่อแม่โดยธรรมชาติเป็นผู้ให้กำเนิดใช่ไหมมีสิทธิอำนาจเหนือลูกใช่ไหมแต่ถามจริงชีวิตจริงใครเป็นนายลูกเป็นนายเ <laughs> พราะพ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้ทำตัวเป็นนายเข้าใจไหมฮะ ลูกทําตัวเป็นนายเหนือพ่อแม่จะเอาชี้เอายังนู่นนะ น, น, นี่ไม่ได้ก็ล้อให้พ่อแม่ก็ให้แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์ใช่ไหมนีนน่เหมือนกันเลยพราะพ่อแม่เกิดมาเป็นผู้เลี้ยงไม่ได้เกิดมาเป็นนายหน้าที่พ่อแม่คือเลี้ยงดูไม่ใช่ขับบังคับไม่ใช่ตัวนั้นขอยสั่งสอนแต่เขาไม่นายจริงคือใครลูกนะโดยธรรมชาติ ถึงแม้บทบาทจริงไม่ใช่แต่พฤติกรรมมันใช่การเป็นผู้เลี้ยงคนไม่ได้เราไ ม, ไม่ไม่ได้เป็นนายเขาแต่เราเป็นแค่ผู้เลี้ยงดูเป็นแบบอย่างนะคบางทีต้องคอยเอาใจเอาใจไม่ไแปลความว่าตามใจแต่เพื่อจะฝึกฝนให้เขาดีขึ้นเอาใจเชิงตามใจทําให้เสียคนแต่เอาใจเพื่อให้เขาดีขึ้นอีกเรื่องนึง คนละท่าทีกันนั่นก็หนุนใจมองเห็นว่านี่คือการยอมรับน้ำพระไทยพระเจ้าและพระเจ้าจะสอนเราในการเป็นสีบาลในการเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐในการเป็นผู้เผยช น, นะในการเป็นผู้เผย ผ, ผ, ผู้เผยแรกข่าวประเสริฐในการเป็นอัครทูตพระเจ้าสอนแต่เริ่มต้นไหนเริ่มต้นจากไม่เป็นอะไรเลยเพียงแค่รับน้ำพระไทยพระเจ้าหลายคนจะทงานรับใช้พระเจ้าบางที ต้องให้คบท้วนก่อนเนอะอันนู้นก็ไม่เป็นนี่จะรับใช้เพระองค์ไม่ได้สนใจความสามารถของคุณแต่พระองค์อยากจะใช้คุณและพระองค์จะสอนให้ใจเย็นๆเดี๋ยวให้เดี๋ยวสอนให้แค่นั้นแหละยอมรับน้ำพระทยัยพระเจ้าไหมถ้าคุณยอมรับธรรเหมือนเปโตอรเปโตรเป็นคนที่เร็ว่าทรายไหลไปตามน้ําอะซีโมนเป็ว่าทรายไหลไปตามน้ํำ่ะแต่พระเยซูอะฉันจะทําให้เจ้าเป็นดังศิลา แล้วพระเจ้าสอนเขาฝึกเขาจนเขาเป็นศิลาที่เป็นผู้เลี้ยงและสามารถสอนได้ว่าการเป็นผู้เลี้ยงต้องมีท่าทีแบบไหนก่อนห น, น้านี้เป็นแหมไม่เป็นอันนี้คือหนุนใจให้มองเห็นนั้นหนุนใจพี่น้องในพระคริสต์ในความเชื่อของเราให้เห็นว่าเริ่มต้นให้ถูกแล้วท่านจะเดินไปได้ตลอดรอดฟังกับพระเยซูวิธีการที่ทาเรียนแบบไปโตไม่ยากเอาวิธีชิตเซียงเข้ามา ไอ้ฐานเผื่อคนที่เรารักเขาด้วยความรักนะฮะไม่ใช่ไอ้ฐานเขาเชื่อพระเจ้านะไอ้ฐานเผื่อสุขภาพร่างกายของเขาไอ้ฐานเผื่อการทำมาหากินของเขาไอ้ฐานเผื่อปัญหาเขาของเจ้ามีไอ้ฐานเผื่อเขาไอ้ฐานเผื่อรับให้เขาจาบพระเยซูก็ไอ้ฐานด้วยแต่ไอ้ฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวเขา หลายคนกับพุ่งเป้านี่ยคงจะข่าขอเปิดใจเขาาได้บองเห็นพระเยซูเพื่อเขาจะต้อนรับพระเยซูเราเอาแต่เรื่องเนี้ยทุกวันทุกวันและเรื่องอื่นเราไม่สนใจเขาเหรอปัญหาของเขาเราไม่สนใจเขาเหรอสุขภาพของเขาเราไม่สนใจเขาเหรอเรารักเขาประเภทไหนอ่ะสนใจเรื่องเดียวจะเขาเป็นของเราอ่ะแต่สิ่งที่เขาเป็นปัญหาต้นฐานประคาด้วยเขาไม่ไอ้ฐานด้วยความรักอ่ะหลังจากน้ำไฐานเสร็จมีโอกาสช่วยเหลือเขาไหมมีโอกาสก็ช่วยตามกําลังความสามารถของเราและพระเจ้าจะเปิดโอกาสให้เป็นพยาน น้าสิ่งเขาบอกว่าเราเริ่มต้นไอ้ฐานเผื่อใครเผื่อคนในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานเพื่อนเก่าน้ลูกค้าหรือว่าคนในสายสัมพันธ์ที่อยู่รอบๆตัวไอ้ฐานเผื่อเขาด้วยความรักไอ้ฐานทุกอย่างน้ครอบครองเขาตัวเขาหน้าที่การงานเขานะสุขภาพร่างกายของเขาปัญหาเขามีที่รู้ไอ้ฐานเผื่อเขาถึงไม่รู้ก็ไอ้ฐานเผื่อและไอ้ฐานขอเขารู้จักพระเจ้านักไอ้ฐานแน่นอน แต่อ้าฐานเพียงแค่พระงจะข่าวคอยเขารู้จักพระเจ้าขอยรู้จักพระเจ้าได้ก็ยังไม่ฐานเปิดเข้าง่ายนะนั่นรักเหรอถ้ารักต้องเอาทุกเรื่องนะนะ น, นั้นไม่รักนะแค่เอามาเป็นจะทำไงเขาเป็นคริเสเตียนแสดงว่าไม่รักนะและเป็นแค่หาพวก เ, เฉยๆถ้ารักต้องสนใจเขาทุกเรื่องนะครับแล้วก็ดูซิว่านะก็วิงวอนนะกับพระเจ้านะฮะไอ้ฐานด้วยความจริงใจนะฮะให้คนที่รักพบพระเจ้าและรับการช่วยเหลือจากพระองค์ คำว่าช่วยเหลือไปลวทุกเรื่องกายใจและจิตวิญญาณนะครับนะพวงยหญ่เขาทำตัวเหมือนช า, ชาวสมาเรียใจดีนะฮะอย่าทำตัวเหมือนโปรริฮิตกับฟาริสีอ่าเลวีเห็นแล้วก็หนีนะฮะชาวสมาเรียไม่เชื่อพระเจ้าแต่ว่าห่วงใ ย, ยคนที่ถูกปล้นที่เดือดร้อนนะฮะเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรก็ดูแลใจใส่เขานะครับนะฮะนั่นกะนะ็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าคนทั่วไป ไม่ได้สนใจว่าคุณมีความรู้แค่ไหนแต่เขาสนใจเพรว่าคุณสนใจเขามากขนาดไหนอันนี้คือความสนใจของคนนะฮะหาโอกา ส, สแสดงความรักให้เขาสัมผัสความรักเจ้าผ่านทางชิตของเรานะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งแบ่งปันในสิ่งที่เราสามารถให้ได้ประสบการณ์ชีวิตเรากับพระเจ้าให้เขาฟังพูดเรื่องของความรอดกับพระเจ้าให้เขาฟังอันนี้คือสิ่งที่เราควรทำไอ้ฐานวงยายแบ่งปันชีวิตอันนี้คือการเริ่มต้นที่ถูกกับพระเจ้า นะการนำเรียนชิดเพื่อจะมีประสบการณ์กับพระเยซูให้ฐานด้วยความรักแสดงความหงุดหงิมีโอกาสแต่งปันชีวิตและแบ่งปันกับประเสริฐเมื่อพระเจ้าเปิดทางให้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราทำเริ่มต้นด้วยการเชื่อฟังเริ่มต้นในการยอมรับพระเยซูพระเจ้าเริ่มต้นในการฝึกที่มีประสบการณ์กับพระเยซูเริ่มต้นในการยอมรับน้ําประทานพระเจ้าอันนั้นคือสิ่งสําคัญ ชีพขอเราจะไม่ขาดพรพรใดๆในพระเจ้าเลยถ้าเราเริ่มต้นกับพระเจ้าแบบนี้สี่ประการชีวิตของเราจะไม่ขาดพรใดๆในพระเจ้าเลยเราร่วมใจถามด้วยกันฮาเรลุยาสรนเสริญขอบคุณในความรักความเมตตาพระเจ้าที่มีกองหลายพระเจ้าทรงนำอวยพรและประทานใสน่สุขขอเมตตาคุณพงษ์ทรงอยู่ด้ว ย, วยทกากลางหลายคนที่จะเรียนรู้จักดำเนินชีวิตกับพงษ์เชื่อฟังพงษ์พร้อมในการจะ รับน้ำพระทัยของพระเจ้ายอมรับเอาพระเยซูองพระเจ้าพร้อมจะฝึกฝนประสบการณ์โปร่งสร้างความคุ้นเคยโปร่งและพร้อมในการยอมรับน้ำพระทัยพระเจ้าที่ให้เราทําถึงแม้ว่าเราทําไม่ได้แต่โปร่งปรารถนาใช้เราทั้งหลายยินดีขอพระเจ้าทรงนำและอวยพรเพื่อชิ้นทั้งหลายจะไม่ขาดพระพรใดๆในพระเจ้าเลยจึงสรรเสริญขอบคุณในความรักโปร่งในทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเจริญพรครับ